นะนะสัมมาสังกรปรานี้เป็นธรรมะมีอุปการะมากแม้แก่สัมมาวาจาดุดมีอุปการะมากแก่สัมมาทิฏฐิเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนเครืหาบาดีบุคคลตรึกแล้วตรองแล้วก่อนแลย่อมแป่งวาจาในภายหลังถ้าไม่คิดก่อนแล้วพูดเลยเสียหายมากไหมอ่านะไม่ใช่ว่า นึกอยาพูดอะไรก็พูดไปเลยไม่เติกไม่ทบทวนไม่ใคร่ครัวเนี่ยอู้เสียหายจริงๆเลยนะบอกว่าคําบางคําที่คนบางคนไม่ใคร่ครวน่ยเสียหายหาประมาณไม่ได้ดีไม่ดีแม้แต่เสียแม้กระทั่งอย่าว่าเสียหายภายนอกเลยชีวิตก็ไม่เหลือใช่ไหมถ้าไม่คิดพบทวนให้ดีนะคําบางคําเนี่ยรักษาชีวิตตัวเองไม่ได้หลายคนพลาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวาจาเพราะวาจาที่เป็นเช่นนั้นก็เพล้งออกไปโดย ไม่รู้ตัวเหมือน น, นายบางหลายคนที่ตายเนี่ยนายหลายคนที่ตายเนี่ยทั้งเหนือเราเนี่ยตายไม่ใช่น้อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะด่าลูกน้องลูกน้องชาวต่างชาติด้วยนะก็เลยถูกเชื้อหลายเจ้ามาแล้วนนนะเราออกข่าวเป็นประจำ <c oughs> ก็เพราะวาจาใช่เพราะว่าวาจานี่แหละเป็นเหตุให้จุติอุบัติเลย ทวนให้ดีๆเนี่ยโอ้เสียหายมากบางคนเนี่ยมีปัญหาร้าวรานแกกยังไงก็ไม่ติดประสานยังไงก็ไม่ต่อก็เนื่องจากวาจานี่แหละวาจานี่เป็นตัวที่อันตรายที่สุดเห็นะหมพันสัมมาวาจานี่สำคัญมากถ้าไม่ตรึกไม่ตรองไม่คข้ครวนให้ดีนะโอ้เสียหายจริงๆเลยแหละใช่ ไม่ได้ใส่ถามได้ใช่ ไ, มไมมมหมก็หายแล้ว <มา S 2> อ่ะก็หายแล้วดีแล้วหายแล้วอ่ะถ้าเราป่วยเราก็จะหายก่อนนี่ไงหายบุญสัมมาสังกปะานี้สำคัญมากเลยนะทีะ่ที่ตามมาจากสัมมาวาจารอสัมมาสังกัมมัตะสัมมาสังกปะ อุปการะเกื้อกูลที่ที่ดีจริงๆคนนะถ้าคิดเรื่องอะไรบ่อยๆนะมันจะพูดแต่คํานั้นอนะ่ะเช่นใครตรึกด้วยอํานาจาโทสะบ่อยๆนะคำพูดจะพลงมาด้วยอํานาจโทสะคําหลายๆคําที่เขาพูดออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าปกติคนนั้นคิดอะไรเพราะคนโดยมากจะพูดตามที่ตัวเองคิดคิดเรื่องไหนมากนะวนกับเรื่องไหนมากเดี๋ยวคําเหล่านั้นจะหลุดมา หลุดโดยรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามในที่สุดพูดจนได้ถ้าเขาคิดเรื่องอะไรบ่อยๆนะขอให้คิดสักสามครั้งหรือสี่ครั้งเนี่ยไม่นานเนี่ยนะถ้าเป็นคนคุ้นเคยกันหน่อยเนี่ยจะเริ่มรู้ละไปคิดอะไรมาเนี่ ย, เ, ยเพราะอย่าลืมว่าวาจาเนี่ยเป็นผลของความคิดเป็นผลของการตรึกเนี่ยนะจะพูดมิจฉาวาจาก็เพราะว่าเป็นอกุศลวิตกมาถ้าพูดสัมมาวาจาเพราะกุศลวิตกมาถ้า คนไหนที่คิดเบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคิดตำหนิฝ่ายหนึ่งอยู่ไม่นานจะเป่งคำพูดประเภทนั้นออกมาพูดจนคนอื่ น, นเดือดร้อนจนได้ะถ้าบางคนเนี่ยมีความคิดที่เรียกว่าเมตตาเขานะต้องหาช่องทางที่จะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจจนได้ถ้าถ้ามีเมตตากับอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นตัววิตตกวิต ก, กะตัวที่ตรึกตัวที่ครุ่นคิดเนี่ยนะคือทางดําเนินของความคิดคือวิตกตัวเนี่ยสำคัญมากต่อวาจา ทีนี้วาจาเนี่ยนะก็สําคัญมากต่อกายใช่ไหมอันหนึ่งเพราะชนทั้งหลายจัดแจงด้วยวาจาก่อนว่าพวกเราจะทําสิ่งนี้พวกเราจะทําสิ่งนี้แล้วจึงประกอบการงานในโลกฉะนั้นวาจาจึงเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่กายกรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสสัมมากรรมันตะในลําดับแห่งสัมมาวาจานี น, นะก็วาจานี่สําคัญมากนะพูดอะไรแล้วโดยมากก็จะทําอย่างที่พูดใช่ไหมพูดส่วนส่วนใหญ่ที่เราทำนะผ่านการพูดมาก่อน ไอ้คำว่าก่อนเนี่ยอาจจะก่อนนานหรือก่อนไม่นานก็ช่างเถอะแต่เป็นผลของการพูดเอาไว้แล้วแต่คําพูดจะต้องมาจากความคิดใช่ไหมคิดพูดแล้วก็ทำมันพฤติกรรมทุกอย่างที่ทําทํากันอยู่เป็นผลของคําที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วอันนะโดยที่สุดถ้ามองว่ากายกรรมคือมานั่งศึกษาธรรมะนะเป็นผลของคําที่เราเคยพูดมาก่อนจริงๆก็สามารถทบทวนได้เลยว่าเคยพูดมาตั้งกรันรมเมื่อไหร่พอจึงได้มาศึกษาอย่างนี้ ไอ้ที่พูดอย่างนั้นก็มาจากความคิดก่อนลนะ่ะมันพฤติกรรมทางกายทุกอย่างเลยนะการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทางกายโดยมากมาจากคําที่พูดอันหนึ่งเพราะอาชีวะทักษะอาชีวะธรรมกะศีลคือศีลมีอาชีพเป็นที่แปดเนี่ยนะย่อมเต็มแก่บุคคลผู้ละวจีทุจริตสี่ประการละกายทุจริตสามประการ ยังสุดจริตทั้งสองคือทั้งกายสุดจริตวจีสุดจริตให้บริบูรณ์นั่นแหละผันคนที่จะอาชีพบริบูรณ์จริงๆคือคนที่มีกายสุดจริตและวจีสุดจริตคนที่ไม่มีกายสุดจริตวจีสุดจริตพูดไม่ได้หรอกว่าเขามีอาชีพที่บริสุทธิ์นี่นะอาชีพนั้นไม่บริสุทธิ์หรอกถ้ากายไม่สุจริญวจีไม่สุจริญนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อจะทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วไม่สมควรจะพอใจเพียงเท่านี้ว่าอาชีพของเราบริสุทธิ์แล้วนะคือหมายความว่าเอ้ฉันมีศีลดีแล้วพอแล้วแบบนั้นฮะประมาทเหมือนคนหลับโดยที่แท้ควรเริ่มความเพียร น, นี้ในทุกอิริยาบถจึงตรัสสัมมาวายามะในลำดับต่อจากสัมมาอาชีวะก็แปลว่าอย่ายินดีอยู่แค่ศีนนะ ให้มันประกอบความเพียรทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอ น, น, อนเต้นเพียร น, นอนนอนแล้วเพียรด้วยทําไงไ <ป S 1> อันนี้ <ไป S 1> อันนี้แหละที่จะต้องเข้าใจกรรมฐ า, านเป็นอย่างมากนะสัมมาประธานต้องดีเลยอะ่ะไม่งั้นเนี่ยเดินมันก็เดินอกุศลวิตกยืนก็ยืนด้วยอกุศลวิตกนั่งก็นั่งอากุศลวิตกนอนก็นอนอากุศลวิตกท่นจะต้องเพียรที่จะกําจัดอกุศลวิตกให้ได้ แม้กระทั่งการฟังธรรมนี่ก็ต้องใช้วความเพียร น, นะให้มันติดตามเรื่องได้ยาวๆนะใ <'t> ช้วความเพียรมากนะฟังธรรมแต่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นนะฟังธรรมใช้ความเพียร น, น้อยที่สุดฟังถ้าเทียบกับอ่านนะอ่านใช้ความเพียรมากกว่าฟังอนะถ้าใช้อ่านฟังการไปตรึกนะใช้ความเพียรมากกว่ามากกว่าอ่านอีกถ้าตึกนะถ้าไปเจริญให้เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ยากกว่า ยากกว่าตรึกอีกเนี่ยนะเจริญเป็นไปตามให้อย่างที่ตรึกเนี่ยนะเจริญอย่างนั้นจริงๆเนี่ยยากกว่าต่อจากนั้นเพื่อจะทรงแสดงว่าพระโยคาวจรแม้มีความเพียรเริ่มแล้วก็พึงทําสติตั้งมั่นไว้อย่างดีในวัตถุมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นดังนี้จึงแสดงสัมมาสติในลําดับแห่งสัมมาวายามะแต่คำว่าเพียรในที่นี้ก็ไม่ได้เพียรแบบคน หลงห ล, ลืมๆใช่ไหมเพียรในกายเวทนาจิตและธรรมอันหนึ่งเพราะสติตั้งมั่นอย่างดานะีสติตั้งมั่นดีอย่างนี้แล้วก็ตรวจดูคติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมะนี้มีอุปการะมากธรรมะนี้ไม่มีอุปการะของสมาธิสตินะ่ะเป็นตั ว, ต, วตรวจว่านี้เกื้อกูลต่อสมาธินี้ไม่เกื้อกูลต่อสมาธิเนี่ย น, นีถ้าไม่มีสติจริงๆนะ สมาธิเกิดไม่ได้คนถ้าไม่มีสติแม่นยำหรือมีสติดีจริงๆและลึกอะไรไม่ได้เลยนะใจจะสงบไม่ได้หรอกมันสตินี่จึงเกื้อกูลมากต่อสมาธิเพราะสติเป็นตัวตรวจ ด, ดูคติว่าอันนี้มีผลอย่างนี้อันนี้มีผลอย่างนี้อันนี้มีผลอย่างนี้เนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตวัวตรวจตราทั้งหมดเมื่อจิตตรวจตราสติตรวจตราดีอย่างนี้แล้วสมาธิจึงตั้งมั่นได้เพราะคําว่าสมาธิคืออะไรคือความตั้งมั่นแห่งจิต จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระจัดกระจายเป็นจิตที่เป็นเอกขาตาจิตไม่ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายมันพระองค์จึงแสดงสัมมาสมาธิต่อจากสัมมาสติเนี่ยนะสติเนี่ ย, เ, ยเกื้อกูลมากต่อสมาธิถ้าสติไม่ดีจริงๆนะไม่มั่นคงจริงๆเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่สงบหรอกหรือสงบก็สงบยากมาก อันนี้พูดถึงความความสัมพันธ์นกันของลำดับอ่า น, นะลำดับที่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันต่อของอรยิยมรรคถ้าเป็นที่อื่นๆเลยนะจะเคลื่อนว่าเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธออ่นนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจักรู้เห็นตามเป็นจริงอ่นนะพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสมาธิใช่ไหม เมื่อเจริญสมาธิแล้วจิตจักรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าแสดงในด้านมักเนี่ยมักนั้นขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเป็นที่อื่นทำไมขึ้นต้นด้วยสัมมาสมาธิ <c oughs> ซึ่งการเจริญอบรมอริยมักเนี่ยในในในส่วนเหล่านี้เนี่ย ถ้ามองไปแล้วเนี่ยการจะรักษาศีลก็เหมือนกันนะมองในแง่รักษาศีลรักษาศีลเนี่ยถ้ามีปัญญาปัญญาที่เป็นกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสมมุติว่าวัตถุประสงค์จะรักษาศีลใจก็มาตรึกเรื่องศีลก่อนวิตต ก, กะมาคิดเรื่องศีลคือมีปัญญารู้แล้วว่า รักษาศีลมีคุณอย่างไรไม่รักษาศีลมีโทษอย่างไรใช่<ม>ก็มีความรู้อันนี้ก็มาตรึกออรักษาศีลดีอย่างนั้นดีอย่างนั้ น, น, นก็เลยพอมาตรึกคุ้นคิดแล้วว่าคำนวณดูแล้วว่าเราต้องพูดอะไรบ้างไม่ต้องพูดอะไรบ้างเป็นต้นก็วาจาก็ดีก็จะรักษาวาจาได้เมื่อรักษาวาจาได้นะกายก็เนี่ยนะ กายก็รักษาได้ถ้ารักษาวาจาได้นะ่จะรักษากายได้ถ้ารักษากายกับวาจาได้อาชีพก็รักษาได้ก็รักษาอาชีพได้เมื่อรักษาอาชีพอย่างนี้ก็ต้องพงบอกว่าอยากเกียรติครันให้เพียรเพราะศีลเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยจะต้องเพียรใช่ไหมจึงจะรักษาได้เช่นศีลมีอาชีพเป็นที่แปดเนี่ยนะถ้าไม่ขยันจริงๆนะประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้คนเกียรติครันไม่สามารถ ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพได้เพราะสัมมาอาชีพนั้นต้องมีความเพียรความเพียรนี้แล้วก็ผู้ที่เพียรก็เพียรอย่างมีสติโดยเฉพาะมีสติที่รู้ว่าถ้าทุ่มศีลแล้วมีโทษอย่างไรรักษาศีลและดียังไงก็เจริญอะไรต่ออ่านะถ้ามีสติดีสมาธิก็จะตั้งมันถ้าสมาธิดีอย่างนี้จะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะสมาธิตัวนี้คือสมถะ ก็จะเจริญอะไรวิปัสนาปัญญาขึ้นมาแล้วพอวิปัสนาปัญญาก็จะไล่ไปยังไงถ้าสมาธิดีตั้งมั่นวิปัสนาปัญญาดีมรรคปัญญาจึงจะเกิดถ้าอริยมรรคเกิดนะพวกนี้จะมาบริบูรณ์ประชมกันทั้งหมดเพราะการเจริญตัวปัญญาวิปัสสนาก็เพื่ออริยมรรคใช่ไหมสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เพื่อ อริยมรรคก็จะเจริญไงพวกนี้ทั้งหมดมีที่สุดอยู่ยอดอยู่ที่เดียวคืออริยมรรคเนี่ยนะอันขณะอริยมรรคนั้นจึงเป็นการประชุมธรรมะทั้งหมดทั้นเขาบอกว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยต้องมองแบบการสร้างสร้างเจดีโดยใช้อิฐมาเรียงเนี่ยนะใช้อิฐมาเรียงแล้วก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาใช่ไหมอริยมรรคเปรียบเหมือนยอดของ องค์พระเจดีย์ถ้ามองแบบวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยนะวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยท่านบอกว่าศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธิเหมือนกับแผ่นดินส่วนญาณทัศนวิสุทธิคือมรคนี่นะเป็นเหมือนกับยอดเจดีย์ส่วนวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะ เป็นเหมือนกับองค์ของพระเจดีอันนี้องค์เจดีล้วก็แยกกันอย่างนี้ฉะนั้นถามว่าสัมมาทิฐิเนี่ยจะต้องมีกุศลอะไรมาเป็นบริวารมาล้อมอยู่เนี่ยก่อร่างสร้างตัวจนกว่าอริยมรรคจะ บ, บริบูรณ์บรรลุมรรคผลได้ <c oughs> ั้นการเจริญกุศลแธรรมเหล่านี้มันเป็นการอบรมซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเบื้องต้นเนี่ยเ จ, จริญสัมมาเจริญศีลอบรมศีลเพื่อให้สัมมาสามาธิเกิดตอนหลังเนี่ยสัมมาสามาธิจะเป็นตัวรักษาศีลเจริญศีลเจริญสัญสามมาสามาธิเพื่อให้ปัญญาเกิด เมื่อเจริญปัญญาจนปัญญาเกิดนะปัญญาจะเป็นตัวรักษาศีลจะเป็นตัวรักษาสมาธิเนี่ยนะจะรักษาสมาธิพันสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่อ บ, บรมเกื้อกูลแล้วก็มีอุปการะซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอ บ, บรมอย่างนี้จนกว่าจะบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะถ้าบรรลุอริยมรรคแล้วจึงจะสามารถทาที่สุดแห่งทุกได้ ส่วนสัมมาทิฏฐิในด้านแบบพิสดารเลยก็คงเป็นเริ่มวันหลังนะวันนี้ใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในในมรแปดคิดถึง เ, เรื่องสัมมาสังกัปปะว่าเมื่อกี้ท่านอธิบายว่ามีิผลในเรื่องสัมมาวาจานะว่าคุณคิดยังไงก็คิดไปในกางก็ต้องออกมาจากกลางบ่อยๆพูดจนกลามจนได้ คิดถึงคนไหนติดในลูกในหลานครับพูดถึงลูกถึงหลานตลอดมีไหม <S <S ใครเกิดติดในเสียงก็พูดถึงแต่ไอเสียงที่มันโอเสียงที่เขาชอบมีใช่ไหมฮะแล้วหัวนูกก็ไม่ทิ้งนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะนะฮะอะเราจะเกิดขึ้นครับก็เหมือนกันนะครับผลที่จะได้มาถ้าเกิดกุศลวิ่ตกบ่อยอะไรจะเกิดขึ้นครั บ, นนรบท่ า, าบบน กุศลวิตกเ ท, ท่เจริญขึ้น น, น, นะนะทำให้มีให้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถทาที่สุดแห่งโชคได้แล้วก็มักเนี่ยนะองศอนไว้มักมีองค์8นะ น, นะไม่ใช่ยกอันใดอันหนึ่งจนเกินไปเนี่ยคือถ้าถ้าอันใดอันหนึ่งจนเกินไปนะมันก็เสียความสมดุลใช่ไหมเามักแนั้นแต่ละองค์แต่ละองค์งก็สำคัญขาดทรงไหนก็เพิ่มมักนั้น ถ้าตัวไหนที่มันเพิ่มมากไปก็ลดลดหน่อยอนนเพราะว่ามัค ก, กับโทษชงก็คือกลุ่มเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ต่างกันนะต่างกันโดยพยายาชนะเท่านั้นเอง ไม่เคยมีใครปวดหัวแทนกันเลยไม่เคยเห็นเลยไม่มีใครปวดหัวแทนกันเลยเป็นวัดแทนกันเลยไม่สบายเผื่อกันเป็นต้นไม่มีทานข้าวแทนกันก็ไม่มีแก่แทนกันก็ไม่มีป่วยแทนกันก็ไม่มีตายแทนกันก็ไม่มีอันนี้นี่พูดตามสภาวะนะไม่ใช่พูดแบบในแง่สารกฎหมายนะพูดตามสภาวะเนี่ยมันทาแทนกันไม่ได้โดยที่สุดแม้กระทั่งพ่อแม่ถึงจะรักลูกปานใดก็ยังป่วยแทนลูกไม่ได้เลยใช่ ลูกเล็กๆแม่ขอป่วยแทนได้ไหมไม่ได้ทุกคนก็มาด้วยกรรมเป็นของของตนจริงๆกันใครเชื่อว่าตัวเองรู้ทางลัดเพื่อบรรลุพระนิพพานเขาจากบรรลุหรือไม่เขาก็จะไปด้วยตัวของเขาเองเขาเข้ารับตัวของเขาเองอ น, นะถ้าเขาไม่บรรลุเขาก็คือเฝ้าวัตตะอยู่ดีสรุปว่าการปฏิบัติธรรมในาศาสนาเนี่ยนะมันคือการปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะถ้าหากว่าปฏิบัติผิด คือเฝ้าวัตตะตามเดิมถ้าปฏิบัติถูกก็ออกจากวัตะอันนี้่ก็อันนี้เป็นเครื่องวัดละทีนี้สิ่งที่เราเจริญเราทำอยู่เราปฏิบัติอยู่เราก็ถามเราว่านี่นะที่เจริญอยู่ทุกวันเนี่ยเพียงพอไหมที่จะดับวัตตะได้ทำไมจึงดับวตะได้ดับได้เพราะอะไรอันนี้คือที่เราจะต้องมาเช็คมาตรวจสอบซึ่งเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราเองโดยประการทั้งตวง ญาติชาติที่แล้วตามเรามาสักคนหนึ่งไหมชาตินี้นะที่เรามากันเนี่ยนะนึกออกไหมว่าญาติชาติที่แล้วของเรามีใครบ้างเราไปจากชาตินี้ไปสู่พบใหม่ก็จะไปคนเดียวอย่างนั้นนั่นแหละก็จะไปรับสังคมสิ่งแวดล้อมตามที่ที่เราสั่งสมเอาไว้สั่งสมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใด ก, ก็ก็เป็นของเฉพาะตนจริงๆในทวารหกเนี่ยนะแต่ละคนตอนนี้ก็เห็นไม่เหมือนกัน เมื่อเห็นไม่เหมือนกันแสดงว่าโศจากขวาวิญญาณที่ทํากรรมมาแตกต่างกันโสตวิญญาณก็เนื่องด้วยอาวชนะอาวชนะต่างกันวิบากที่เกิดขึ้นก็ต่างกันคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณตลอดจนถึงมโนวิญญาณก็เหมือนกันมันก็จักสมควรแก่กรรมแก่กรรมเมื่อทวารทั้งหทํากรรมอะไรไปอันนั้นแหละจะเป็นเหตุอันใหม่เพราะว่ากรรมทั้งหลายที่มาจากทวารห องตัดว่าเป็นธรรมะที่ขยายวัตตะเป็นตัวขยายวัตตะที่นี้เมื่อขยายไปแล้วเขาจะรับอย่างไรก็สมควรแก่ตัวขยาย น, นะตัวตัวเหตุคือกรรมอันนั้นแหละแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ตัวที่เชื่อมกรรมให้มันมีวิบากต่อไปอันนั้นหมายถึงกิเลสคือตัณหาเป็นต้นขั้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมวัตถุประสงค์ก็คือการกาจัดกิเลสเป็นอย่างยิ่งเป็นที่สุดเนี่ยนะ เมื่อกําจัดกิเลสได้ก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราเจริญเราก็มาถามเราดูว่าพอไหมที่จะกําจัดราคะเพียงพอไหมที่จะกําจัดโทสะเพียงพอไหมที่กําจัดโมหะทําไมเราจึงกําจัดราคะเป็นต้นได้ฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะต้องสอบสวนแปลเป็นภาษาไทยว่าทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่มีใครรับผิดชอบแทนเราหรอกนะ เคยมีไหมใครมารับผิดชอบเราเราก็รับผิดชอบเราเราก็ไม่ได้มีความว่าเราต้องไปรับผิดชอบผู้อื่นใช่ไหมถาม่าเรารับผิดชอบผู้อื่นเราทำยังไงเพราะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนจริงๆเหั้นถ้าหากว่าเราเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นละ่ะก็ดูตามมงคลสามสิบแปดเป็นไปตามมงคลสามสิแปดไหมเพราะว่ามงคลสามสิแปดที่บุคคลปฏิบัติได้อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็จะไม่ปราชายในที่ทุกสถาน ัก็อันนี้ที่ต้องใคร่ครวญให้ดีๆเลยนะเราทั้งหลายผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะใช่ไหมพระพุทธเจ้าของเราสอนว่าอย่างไรอันนี้จะต้องแม่นยํามั่นคงนอยในยุคนี้ที่เห็นโดยมากเนี่ยนะก็ห่างพระรัตนะตรายกันมากขึ้นมากขึ้นคิดถึงพระพุทธเจ้าน้อยลงตอนที่ไปเจริญกรรมาฐานกันเนี่ยนะกำหนดอะไรก็ตามมีพระัตนะตรัยอยู่ในใจไหมในตอนนั้น ถ้าเจริญแล้วเป็นไปตามพระรัตนตรัยนะตามหลักอิติปิโสเปะเลยเชื่อเธอว่าไม่นานจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ก็ยางว่านะไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์ตรัสว่าความสำเร็จมีอย่างเดียวไม่ใช่มีสองอย่างความสำเร็จนั้นเป็นของผู้ปราศจากราคะไม่ใช่มีราคะเป็นความสาเร็จของผู้ปราศจากโทสะไม่ใช่มีโทสะเป็นความสำเร็จของผู้ปราศจาก โมหะไม่ใช่มีโมหะเป็นความสําเร็จของผู้ที่ไม่มีอุปาทานไม่ใช่มีอุปาทานนะเป็นความสําเร็จของผู้ที่มีเครื่องอไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่ใช่ยินดีในความเนิ่นช้าอันนั้นนั่นคือวัดเครื่องวัดที่จะดูว่าสําเร็จจริงหรือไม่เราศึกษาคําสอนตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะดีใจอย่างว่ามีเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบเราจริงๆ เพียงแต่ว่าเราอย่าไปดูหมิ่นไอเครื่องตรวจสอบเราอะนะแค่นั้นเองนะสมควรกับเวลาแนะ่น